ทุดงไปภูเวียงจังหวัดขอนแก่นท่านพระอาจารย์อินกระตาปุญโยซึ่งเป็นสิทธิ์ติดตามทุดงกับหลวงภู้ศรีมหาวิโรได้เล่าการทุดงในระยะนี้ไว้ว่าย่างเข้าฤดูฝนเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2506ได้ลงจากภูเก้ามาอำเภอโนนสังผ่านอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวราพูเดินรอนแรมอาศัยชาวบ้านป่าพิขาจา์ผ่านเรื่อยมาซึ่งถือว่าไกลมาก มีฝนโปรยปลายตกมาเป็นระยะระยะสิงสาราสัตว์เริ่มจะชุกชุมใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็ทะลุถึงเทือกเขาผูเวียงเดินต่อไปยังวัดป่าผูเวียงอำเภอผูเวียงจังหวัดขอนแก่นจากนั้นเข้ากราบคาระวะและพักอยู่กับท่านพระจารย์จันเขมะประโตสิทธิรุ่นใหญ่ของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตองค์ท่านได้แนะนาหลวงปู่ศรีไว้ว่าให้พวกท่านขึ้นไปภาวนาบนถ้ำกวางถ้ำพระ เป็นที่สงบสงัดสัปายะเพราะผมเคยไปอยู่วิเวกภาวนาจำพัรษามาแล้วในปีพุทธศักราช2498ทุกอย่างดีหมดเสียอย่างเดียวมีผีเปรตดุมากเมื่อหลวงปู่ศรีมหาวีโรได้ยินคำว่าผีดุเท่านั้นแหละก็ปรารถนาจะขึ้นไปภาวนาบนถ้ำกวางและถ้ำพระใน ท, ทันทีหลังจากนั้นหลวงปู่ศรีจึงเดินทางต่อไปอยังบ้านนนสวรรค์บ้านหินล่อง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 มีสายน้ำจากเทือกเขาภูเวียงไหลผ่านมีถม้ำชะ ง, ง่อนผานลานหินลาดโขดหินมีป่าไม้และสัตว์นานาชนิดเช่นเก้งกวางหมีหมูปา่าและเสือเป็นต้นถ้ำพระมีลําธารไหลผ่านภายในถ้ำมีพระพุทธรูปโบราณเหตุที่ชื่อว่าถ้ำพระเพราะในสมัยก่อนมีพระพุทธรูปสัมฤธิ์หลายองค์และพระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้และหินเป็นวัตถุโบราณที่ล้ําค่านอกจากนี้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 ข้าพเจ้าชื่อว่านายพรหมด้วยเหตุที่เท้าข้างหนึ่งของข้าพเจ้าถูกไม้ทับจึงแปรคนทั้งหลายจึงเรียกชื่อข้าพเจ้าตามกิริยาที่เดินขาเจและเท้าที่แปรว่านายพรหมตีนแปรส่วนเหตุที่ข้าพเจ้าต้องมาเกิดเป็นเปนเรตนั้นเพราะว่าในปีพุทธศักราช2465ข้าพเจ้าและพวกประมาณ1ิบคนมาขโมยพระพุทธรูปทองสำริดอันเป็นพระประธานภายในธรรพระ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 ช่อโกงทรัพย์สินที่เป็นของสาธารณะหรือของสงเอามาเป็นของตนด้วยโลภเจตนาอยู่เสมอด้วยกรรมเหล่านี้เป็นต้นข้าพเจ้าจึงเกิดมาเป็นวิวิทธาเปรตตอนนี้เจ้าได้เสวยกรรมคือทุกขเวทนาอันแสนสาหัสอย่างไรบ้างเล่าให้อัตมาฟังด้วยลุงปุษย์กล่าวถามด้วยความเมตตาอันหาที่สุดมีได้เปรตนายพรมตีนแปลด้ตอบคําถามด้วยสรีระร่างอันน่าสงสารว่า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 ต้องร้องไห้ครวญครางอย่างน่าเวทนาเพราะความหิวโหยอาหารหมดเรียวแรงจะไปไหนไหนก็ไม่ได้ก็ได้แต่นอนหงายอิดโรยอยู่อย่างรากิระกะอย่างที่พระกุณเจ้าเห็นเมื่อเขากล่าวมาถึงตรงนี้ต้องหยุดเพราะความอ่อนล้าหมดเรียวแรงและด้วยพลังกระแสะเมตตาของหลวงปู่ศรีที่แผ่เมตตาให้เขาจึงมีเรียวแรงกล่าวต่อไปอีกว่าหูของข้าพาเจ้ายอมได้ยินเสียงปรดุดคนมาร้องเรียกแผ่ว ดังแววมาแต่ไกลว่าสู่เจ้าทั้งหลายเอ๋ยจงพากันมากินข้าวกินน้ำฝูงเปรตทั้งหลายก็ได้ยินเสียงกบบรำบันดาลเช่นนั้นเหมือนกับข้าพเจ้าก็เข้าใจว่ามีข้าวมีน้ำต่างก็ดีใจคิดจะลุกขึ้นแต่ลุกขึ้นไม่ได้เพราะหมดเรี่ยวแรงแล้วก็พยายามลุกขึ้นอย่างแสนลาบากบางตนก็ล้มลงนอนหงายแผ่แต่เสียงเรียกให้ไปกินข้าวกินน้าก็ยังคงดังแผ่วมากระทบหัอยู่เรื่อย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 ก็ได้ยินเสียงเรียกมาเร้าใจให้พยายามอีกแต่จะได้เจออาหารสักนิดก็หาไม่ได้ได้ยินแต่เสียงร้องเรียกแต่อย่างเดียวข้าแต่พระคุณเจ้าผู้ประเสริฐพระเจ้าต้องเป็นอย่างนี้หลายร้อยหลายพันปีจนกว่าจะสิ้นเวรกรรมเปรตนายพรมตีนแปรกล่าวทั้งน้ำตาที่หลั่งไหลดั่งสายน้ำหลวงปู่ศีได้กล่าวสอนด้วยเมตตาต่อไปอีกว่าขอให้เจ้าตั้งใจรับส่วนบนที่เราอุทิศให้ลถทิฏฐิมานะ และความดุร้ายลงเสียอย่าไปเที่ยวก่อกวนชาวบ้านเขามันจะเป็นบาปซ้กำกรรมซัดเข้าไปอีกเพียงแค่นี้ก็พอจะช่วยบรรเทาเวรกรรมหลายพันปีลงไปได้บ้างหลังจากองค์หลวงปูศ่ศรีท่านโปรดเปรตตนนี้แล้วชาวบ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุขหายวาดกลัวไปบ้างบางคนอัศจ ร, ร์ในคุณธรรมของท่านที่ปราผีเปรตให้หายพยศสมกับสมยา n ของท่านที่ว่าหลวงปู่ศรีผีย่านอันหมายถึงผีกลัวนั่นเอง Thank you.